อยู่ในกายกรรมเมจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อคุณงามความดีกษัตริย์เหล่านั้นมีแต่ความเจริญงอกงามโดยทายเดียวกษัตริย์พระองค์นั้นย่อมเป็นที่รักใคร่ของพระประยุรยา่าทั้งหลายและพระองค์ก็ย่อมรุ่งโรจน์ในหมู่มิตรด้วยเท้าเธอมีพระปัญญาเมื่อสวรรคตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าหากว่าผู้ที่สามารถปฏิบัติตามนี้เนี่ยได้ก็ผลพิเศษแล้วละ่ะใช่ไหม สัมภะกุมารนี่บอกตั้งแต่ตนแล้วโอ้ยฟังไม่ยากหรอกแต่ปฏิบัติตามได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะถามมาตอบได้แต่ตอบแล้วจะเอาไปปฏิบัติได้อีกเรื่องหนึ่งนะท่านก็ตอบไปแล้วแล้วเราเอาไปปฏิบัติได้ไหมพอได้บ้างเป็นบางอย่าง <c oughs> ก็ยังมีมีติดลายนวมไม่มัง่งอ่ะนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าก็แก้ปัญหาด้วยพุทธลีลาเหมือนอย่างพระจันทร์ให้ปรากฏณนะพื้นอากาศด้วยอาการอย่างนี้มหาชนก็ บลือโหรองตบมือสาธุการพันครั้งยังการยกธงตามดีดนิ้วมือให้เป็นไปแล้วก็ทรย์วัตถุมีเครื่องประดับในมือเป็นต้นทรัพย์สินที่มหาชนทรัพย์ไปแล้วอย่างนี้ได้ถึงกฎแม้พระราชาก็พระราชทานยศ ใ, ใหญ่แก่สัมภวะกุมาร น, นั้นฝ่ายสุจิรตะพรามทำการบูชาด้วยทองคำพันลิ่มแล้วจารึกวิสัชนาปัญหาลงในแผ่นทองคาด้วยชาต กับหารดานแล้วเดินทางไปยังอินทปัตตานครทูลธรรมยาค่ปัญหาแด่พระราชาพระราชาก็ทรงประพฤติในธรรมแล้วยังเมืองสวรรค์ให้เนืองแน่นบริบูรณ์พระาศาสดา น, นำพระธรรมเทศนานี้มาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในปางก่อนตถาคตก็มีปัญญามากเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ประชุมชาดกว่าพระเจ้าท น, นชยัยโกรพยะในครั้งนั้นได้เป็นพระ อานนท์คนเข้าฝ่ายเรื่องปัญญาก็ฝ่ายมาตั้งแต่ชาติก่อนๆเหมือนกันน่ะเนาะสุจีรตพราหมณ์ได้มาเป็นพระอนุรุทธวิทูรพราหมณ์ได้มาเป็นพระมหากสปะพัฒการกุมารได้มาเป็นพระโมคขลานะสันชัยกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตรสัมภวะบัณฑิตเด็กน้อยอายุเจดขวบแก้ผ้าเล่นฝุน่นในครั้งนั้นมาเป็นเราตถาคตชะนี้แลนี่ก็สัมภวะกุมารเป็นเรื่องของการสะสมปัญญา แต่ว่าปัญญานั้นจะเจริญจะงอกงามได้ก็เกิดจากการเหตุที่ทําให้เกิดปัญญานะปัญญาที่ในโซดาปฏิมาสกธาคามีมักอนาคามีมักหรืออรหัตตมักก่อตามปัญญาที่เป็นชวนะปัญญาติขะปัญญามหาปัญญาปุถุปัญญาหาสะปัญญาพวกปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเช้าดูในปฏิสัมพิฐานมักท่านกล่าวว่าเหตุที่ทําให้เกิดปัญญาเหล่านี้มีอสี่อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือ สัพปริสุสังเสวะการคบสัต บ, บุรุษการคบคู้มีสติมีปัญญาคบหาผู้มีคุณธรรมเรียกว่าคบสัต บ, บุตรสองฟังธรรมของสัต บ, บุรุษเมื่อฟังแค่เฉยพอไหมไม่พอฟังแล้วก็ต้องทรงจําไว้ด้วยใครครวนพิจารณาตามเอามาคิดเอามานึกตามอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนัสิการะเมื่อมีโยนิโสอย่างนี้แล้วก็เพิ่มภูนปฏิบัตินั้นจนบรรลุถึงผลนั้นๆฟังเรื่อง วิปั ส, สนาแล้วก็เพิ่มพูนปฏิบัติจนวิปัสนาเกิดขึ้นเมื่อวิปัสนาเกิดขึ้นเพิ่มพูสสนจนถึงมรรคเกิดขึ้ น, น, กกนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความรู้ดันั้นการฟังนี้เป็นความดีถ้าฟังแล้วทรงจําไว้ด้วยเป็นความดีถ้าทรงจําได้แล้วเอาไปค้นคิดไปพิจารณากา ร, ครคการไข้ควรการไตรตรองก็ดีขึ้นไปอีกถ้าไข่ครควรแล้วเอาไป พ่คูณความรู้อันนั้นดีไปอีกพ่อคูณแล้วจนบรรลุผลจนประสบความสาเร็จนั้นก็นี้เป็นความดีสุดยอดของความดีอันสุดยอดของความดีก็คือการเข้าถึงมรรคผลถ้าหากว่าตามแนวคำสอนของพระผู้มีพระภาคเพราะว่าผู้ที่เข้าถึงมรรคผลคือผู้ที่ประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดชีวิตของศาตร์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารทุกอยู่ในสังสารวัฏ ถ้าหากว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเมื่อไรอย่าเพิ่งสบายใจเลยว่าเรานี่พ้นแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายถ้าหากว่าเธอทั้งหลายเห็นยาจกวันิี้พกคนโรคเรื้อนคนทุกข์กระทมคนเข็นใจเธอพึ่งนึกได้เธอว่าแม้ในอดี ต, ตอันยาวนานเราก็เคยเป็นเช่นนั้นแล้วเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังสารทุกข์ แต่ถ้าหากว่าไม่เบื่อหน่ายคิดว่าเราพ้นไหมสภาพแบบนั้นอกุศลทําไว้เหตุมีอยู่เมื่อเหตุมีอยู่ผลก็ยังมีอยู่ฉันใดเพราะฉะนั้นจงปฏิบัติธรรมกรรมดาให้วิบากดํากรรมเขาให้วิบากเขากรำทั้งดําทั้งเขาให้วิบากทั้งดําทั้งเขากรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมกรรมไม่ดําไม่ขาวนั้นก็คือโพ้ชงหรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดผู้ที่เพิ่มพูน พ, พ่อคูณ อารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดจึงจะถึงความค้นทุกได้อันท้าที่สุดแห่งพระธรรมคําสอนที่ยกขึ้นมาปารบับในวันอาทิตย์นี้ขอความสุขสวัสดีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลความเจริญงอกงามแห่งจิตความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมความสุขและอายุวันนะปฏิพานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกคนทุกพานเทิน ขอรับน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ประพฤติประโยชน์ความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอรอบน้อมแด่พระสัทธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคารพทุกเมื่อขอนอบน้อมแด่โมพระอริยรสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตความเจริญงอกงามแห่งธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายนี่ก็อีกวันหนึ่งทุกวันอาทิตย์เราก็ร่วมฟังธรรมส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงปัญญาบารมีของพระองค์ ครั้งนี้เราขอกล่าวถึงเนคขมมะบารมีบ้างเพื่อแสดงดีอาจจะมีคนตามบวชสักคนสองคนแต่ก็หวังน้อยมากผู้การให้บวชสักทีเลยบารมีทั้งสิบประการเป็นคุณธรรมช่วยเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงได้บรรลุทางถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรง บำเพ็ญพระบารมีมาแต่เก่าก่อนไม่ได้ทรงสั่งสมอบรมคุณธรรมเหล่านี้มาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้บรรลุทาแต่ว่าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมีทรงกระทรรมกุศลทุกอย่างจนเปลี่ยงจนบริบูรณ์แล้วกุศลที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญนั้นเป็นกุศลแบ่งออกเป็นสามระดับถ้าทานก็เป็นทานระดับธรรมดา เรียกว่าทานบารมีสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเขาเรียกว่าทานะอุปปารมีถ้ายิ่งสูงสุดเลยให้แม้กระทั่งชีวิตเป็นทานได้เรียกว่าทานะปรมาถปาร ม, ารมีแม้แต่ศีลพระองค์ก็ทรงรักษาแม้แต่ศีลห้าศีลทั่วไปพระองค์ก็รักษาเรียกว่าศีลบารมีแล้วพระองค์ก็รักษาศีลเสมอด้วยอวัยวะต่างๆเรียกว่าศีลอุปปารมีบางครั้งพระองค์ก็รักษาศีลนั้นเสมอด้วยชีวิต อย่างบางชาติเกิดเกิดเป็นงูเป็นนาคสมาธานศีลและไม่ยอมขาดจะตายก็ยอมแต่ก็ไม่ยอมเสียศีลอ่อย่างนี้เขาเรียกว่าศีละป ร, ะ ม, ะะประมัทธปรมีปัญญาก็เหมือนกันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สแสวงหาปัญญาถ้าหากว่ามีผู้ใดมีความรู้มีความสามารถพอที่จะแนะนำให้พระองค์เกิดสติเกิดปัญญาพระองค์ก็จะเข้าไปหาไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นใคร ขอให้เขาเหล่านั้นให้ปัญญาแก่พระองค์ได้อันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยนิยมเข้าไปใดถามสมณะพราม์เข้าไปใดถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรประพฤติแล้วมีโทษอะไรประพฤติแล้วไม่มีโทษอะไรควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติอันพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติเรื่อยมาทีนี้บารมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเราจะกล่าวในวันนี้คือเนคขมมะบารมี การประพฤติเนคข ม, มะบารมีนั้นพระองค์ได้ทรงอธิษฐานก่อนพระองค์จึงได้บำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีพระองค์อธิษฐานบารมีเมื่อไหร่ก็ได้ยินไหว่าพระองค์นี้อธิษฐานบารมีเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหรก็คือสมัยที่พระองค์เป็นสุเมธดาบทะ่ะหลังจากที่สุเมธดาบทได้อธิษฐานคือได้รับพุทธภรรยากรจากพระผู้มีพระภาคพนามัถีปังกรแล้วสุเมธดาบท ก็ได้สมาทานที่จะประพฤติบารมีทั้งสิบอย่างว่าทานบารมีว่าพระพุทธเจ้าแต่เก่าแต่ก่อนท่านได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านได้บำเพ็ญบารมีมาเพราะฉะนั้นธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมีเรียกว่าพุทธการะกาธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านให้ทานมาท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็จงบำเพ็ญทานเหมือนกันให้ทานก็เหมือนกับม้อคว่ํา รักษาศีลก็เหมือนกับจามารีรักษาขนหางเจริญปัญญาเที่ยวสแสวงหาปัญญาเหมือนกับภิกษุเที่ยววินทบาทไม่เลือกชั้นวั น, นะใครจะใส่ก็รับหมดบำเพ็ญเนคขมะบารมีเหมือนกับคนที่อยู่ในคุกตารางเส้นข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์และก็ในอัตตกถาอัถสาลีนีได้กล่าวว่า อันพุทธการกะธรรมจะมีแค่ทานศีลเท่านั้นก็าหาไม่ยังมีเนกขมะอีกเราเลือกเฟ้นธรรมะทั้งหลายอันบ่มโพธิญาณโพธิญาณหรืออรหัตตมัคคายานนั้นต้องผ่านการบ่มการอบรมบารมีอื่นๆเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ในการครั้งนั้นได้เห็นเนกขมะบารมีอันเป็นพุทธการกะธรรมข้อที่สามอันพระมหสีทั้งหลาย พระมเหสีนี้แปลว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระมเหสีคือพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่เก่าแต่ก่อนได้ทรงปฏิบัติซ่องเสพแล้วแล้วท่านก็สอนตนว่าเพราะฉะนั้นท่านจงบำเพ็ญเนคขมมะบารมีอันเป็นพุทธ ก, กัลกะธรรมข้อที่สามนี้สมาทานบารมีข้อนี้ให้มั่นถ้าหากว่าท่านปรารถนาบรรลุโพธิญาณ ถ้าปราทานาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องบำเพ็ญเนคขมะบารมีนะเออเนคขมะบารมีนี่บำเพ็ญอย่างไรกล่าวว่าบุรุษผู้ติดอยู่ในเรือนจำมีความทุกข์สิ้นกาลนานใครที่เคยติดคุกน่าจะรู้รสชาติดีก็บอกว่าผู้ที่อยู่ในเรือนจำหรืออยู่ในคุกในตารางในคุกตารางที่อยู่แล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาร เขาไม่มีความยินดีในเรือนจำนั้นเลยคนติดคุกดีใจไหมไม่มีใครยินดีต้าคนเลยสแสวงหาการพ้นไปจากเรือนจำนั้นเท่านั้นฉันใดเธอก็เหมือนกันนั่นแหละคือตัวพระโพธิสัตว์ที่จะสมาทานสินข้อนี้จงดูพบทั้งหมดเหมือนเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนคขมะเพื่อความหลุดพ้นเธอกราบขออนุญาตพระอาจารย์นะครับ เพราะนั้นเนคขมะบารมีที่ท่านบําเพ็ญนั้นท่านจึงยินดีในการสลัดออกจากภพเหมือนคนยินดีออกจากเรือนจําถามว่าท่านจะบําเพ็ญเหมือนกับที่ท่านสมาทานหรือเปล่าคนทั่วไปนี้จะสมาทานศี่ห้าใช่ไหมปานาติปาตาเวรมนีข้าพเจ้าขอสมาทานงดเวรจากการฆ่าสัตว์ยุงมาก็ยังไม่ทันไรเลยจะวิ่งไปตามตบเอาเนะมันยังไม่ทันกัดเลยบางคนเนี่ยแค่บินผ่านหูผ่านตาก็ตบล้ว เขาเรียกว่าสมาทานแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่พระโพธิสัตว์ท่านได้สมาทานเนคขมะบารมีในการที่จะออกจากกรมก็เพราะพระองค์ได้ทรงอธิษฐานจิตแบบนี้แหละทําให้ชาติสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมแม้แต่เป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านยังออกบวชได้เพราะท่านสมาทานตั้งใจเอาไว้ก่อนแล้วแล้วพระองค์นี้ออกบวช ตอนที่เป็นกษัตริย์นี้ไม่ได้ออกบวชแค่ชาตินี้ชาติเดียวคือชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่าชาตินี้เท่านั้นแม้แต่ชาติก่อนหน้านั้นเอกเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านก็ออกบวชเหมือนกันอย่างเช่นข้อความในหัตถิปาลชาดกในชาดกเรื่องนี้ก็กล่าวถึงพระองค์ได้ทรงออกบวชเหมือนกันในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าเอสุการี ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีเอาเรื่องคนตายมาพูดทั้งนั้นแสดงว่าพระราชาองค์นี้ตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะบอกว่าอดีตกาศพรามปุโรหิตผู้หนึ่งเป็นปิยสหายของพระราชาเคยเล่นอยู่ด้วยกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยคือพระราชาพระองค์นี้มีปุโรหิตเป็นเพื่อนครเป็นเพื่อนเล่นมาพอปกครองบ้านเมืองก็มีเพื่อนนี่เป็นที่ปรึกษาให้ ทีนี้ในพระราชาและปุโรหิตทั้งสองคนนี้ก็ไม่มีราชโอรสไม่มีลูกพอที่จะสืบสกุลได้อยู่มาวันหนึ่งในยามที่มีความสุขปรึกษาการชัน้นเพื่อนพระราชากับปุโรหิตก็เลยปรึกษาว่าอิสริยยศของเราทั้งสองนี่มีมากหูเราเนี่ยรวยกันเนาะท่านก็เป็นปุโรหิตข้าพเจ้าก็เป็นพระราชาแต่โอรสที่ดา ไม่มีลูกเลยท่านก็ไม่มีลูกข้าพเจ้าก็ไม่มีลูกทั้งสองจะทํำยังไงกันดีพระเจ้าเอกุสารีก็ตรัสสั่งปุโรหิตว่าสหายรักถ้าหากว่าในเรือนของท่านจะมีบุตรเกิดไซบุตรของท่านก็จะเป็นบุตรของเราครอบครองราชสมบัติเออถ้าท่านมีลูกนะลูกท่านจะได้ปกครองบ้านเมืองถ้าหากว่าเราจะมีบุตรบุตรของเราก็จะครอบครองพ่อสมบัติในบ้านของท่านเหมือนกัน ต่างคนต่างไม่มีลูกหมันมาทั้งัูวเอ๊ทำยังไงดีเนี่ยที่นี้อยู่มาวันหนึ่งพระามณ์ปุโรหิตก็ไปยังบ้านสวยของตอนสมัยก่อนเนี่ยพระราชาปุโรหิตนี้เขาก็เก็บภาษีอนะแล้วก็เก็บภาษีไปบ้านสวยเวลาจะกลับก็เข้าไปสู่ทางพระนครด้านทิศใต้ขณะที่เดินไปก็เห็นผู้หญิงเข็นใจคนหนึ่งเป็นพระโหปุติกะพระโหนี่แปลว่ามากปุติแปลว่าลูกโอ้หญิงผู้มีลูกมาก หญิงเข็นใจคนนี้มีลูกทั้งหมดอยู่เจ็ดคนคนมั่งคนมีกลับไม่มีลูกไอ้คนทุกคนยากพาเช้ากินข้าเนี่ยลูกหลกจังเลยนะทีนี้ก็ให้ลูกชายคนหนึ่งเนี่ยถือกระเบื้องพาชนะหุงต้มคนหนึ่งก็หอบมอไปลงเบลงเบลง่งเบล่งไปลูกคนหนึ่งก็หอบเสือ่อหอบหมอนไปอีลูกคนหนึ่งก็เดินนำหน้าอีลูกคนหนึ่งก็เดินข้างหลังอลูกคนหนึ่งเนี่ยก็เกาะนิ้วมือเดินตามแม่ไป อีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่บนเสียวอีกคนหนึ่งก็อยู่บนบ่าลูกเจ็ดคนน่ะคิดดูนะหอไปที่เดียว<อ>พร้อมกันเนี่ยภาพจะเป็นยังไงคนที่ลูกเยอะๆเนี่ยก็จะรู้ไอ้คนลูกน้อยๆก็นึกไม่ออกไม่เป็นยังไงแต่เคยเห็นนะมึงเคยเห็นกันนะทีก็หอบบางคนก็อยู่บนคอบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ตามบ่าบ้างจูงแขนบ้างเพียบเลยครั้งนั้นพราหมณปุโรหิตก็เลยถามหญิงผู้เป็นมารดาว่าก็ถามผู้หญิงที่เป็นแม่นะเออแม่มาหาจำเริญ พ่อของเด็กๆเนี่ยอยู่ที่ไหนหญิงเขนใจคนนั้นบอกว่าพ่อของเด็กๆเหล่านี้จะมีอยู่ประจํว่าหาไม่ได้คือแปลว่าไม่มีผัวเป็นตัวตนอะไรแต่ก็ลูกนี่ดกจริงปุโรหิตก็เลยถามว่าเอ๊เจ้าทำอย่างไรจรึงจะได้ลูกชายมากถึงเจ็ดคนอย่างนี้แต่ตัวเองเนี่ยอาภัพลูกใช่ไหมแต่คนเนี่ยมันลูกดกจังเลยทีนี้นางเขนใจก็ไม่รู้จะ ต, ตอบปุโรหิตยังไงก็เลย เห็นต้นไทรต้นหนึ่งที่ใกล้ประตูเมืองก็ตอบไปว่าข้าแต่นายดิฉันบวงสวงปรารถนาในสำนักของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรจึงได้ลูกมาทั้งเจ็ดคนเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรทั้งหมดนี่ให้ลูกมาหลอกปุโรหิตเลยนะหลอกส่งเลยโน่นไงขอเทวดาเอาสิเทวดาให้มาตั้งเจ็ดคนเหมือนกันปุโรหิตก็เลยพูดว่าเออถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปเถอะปุโรหิตก็เลยลงจากรถตรงไปยังต้นไทรเขยวกิ่งไทร ขูรุกเทวดาว่าเทพพญดาผู้เจริญขูเทวดาที่อยู่ต้นไทรที่ต้นไทรมีเทวดาอยู่ได้ไหมได้เทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เขาเรียกว่ารุกเทวดาเนะี่ยภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมาราชกาเทวาเคยฟังธรรมจักรนะที่ว่าภุมมเทวดาเทวดาที่อยู่ตามภาคพื้นที่อยู่ตามต้นไม้บรรลือศีหานา ด, ดังไปถึงเทวดาชันจาตุงชันจาตุงก็บรรลือศรีหนาดไปถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างนี้นะในทำมาจากข้อความลักษณะ น, นี้เพราะฉะนั้นในคําสอนในพระพุทธศาสนาต้นไม้ก็มีรุกคเทวดาอาศัยอยู่แล้วบางแห่งท่านบอกว่าต้นไม้ที่มีต้นมีแกมเท่าเหล็กจานเหล็กเขียนหนังสือสมัยก่อนที่จานใบาลานอ่นะถ้าขนาดนั้นก็มีรุกคเทวดาอาศัยอยู่ที่กิ่งนั้นแล้วแต่เขาว่าไปแปะเป็นวิมานอีกอย่างหนึ่งไปแปะปั๊บก็มีบ้านมีเรือนเหมือนกับเราทีนี้ไปถึงปุโรหิตนี่ก็ขูเลยว่าเทวดาผู้เจริญ ท่านไม่ยอมให้โอรสแก่พระราชาบ้างเลยอะไรมัง่งที่ท่านไม่ได้จากสำนักของพระราชาทุกๆปีมาพระราชาก็สละราชทรัพย์ถึงพันกระหาปณะสั่งให้ทำพลีกรรมแก่ท่านท่านก็ยังไม่ให้โอรสแก่พระองค์เลยนะจะหาเรื่องแม้กระทั่งต้นไม้แล้วกันะะนี่ศุษฐามาบวงสรวงมาบูชาอยู่ทุกปีจะให้ลูกสักคนก็ไม่ให้หญิงเข็นใจคนนี้ทำอุปการะคุณอะไรแก่ท่านเหตุไรท่านจึงให้บุตรแก่นางถึงเจดคน ผ่านแล้วถ้าหากว่าท่านไม่ให้โอรสแกพระราชาของเราจากนี้ไปอีกเจ็ดวันเราจะสั่งให้คนเนี่ยฟันต้นไฟจะสั่งให้ตัดทั้งรากทั้งโคนทิ้งเลยสั่งให้สับเป็นท่อนๆขู่เลยอีกเจ็ดวันถ้าไม่ให้นะต้นหลุดแน่ถ้าคนก็คอขาดนะเนาะอย่างนี้แล้วก็หลีกไปพอวันรุ่งขึ้นปุโรหิตก็ยังไม่หนาใจมาใหม่ก็ไปขู่ต้นไซมใหม่อีกครั้งหนึ่งบอกอีกหกวันนะท่านเทวดา อีกหกวันไม่ได้ต้นขาดแน่พอถึงวันที่หกก็บอกอย่างนั้นอีกทีนี้วันที่ห้าก็ไปใหม่อีกห้าวันเทวดาอีกสี่วันสามวันสองวันแต่ทีนี้ถึงวันที่หกท่านเทวดาเหลืออีกวันเดียวเท่านั้นนะจะได้ลูกหรือจะตนจะหลุดเพรา ะ, ะนั้นถ้าท่านไม่ยอมให้โอรสแก่พระราชาของเราพรุ่งนี้เราจะสาเร็จโทษแกท่าน ทีนี้เทวดานี่ก็ไม่ได้เคยตอบเลยนะแล้วเทวดา ก, ก็เขาคุยกับต้นไม้ใช่ไหมเทวดานี่อยู่ในนั้นเอ๊บัลลังก์ของเราชัก ส, สั่นครอน่แล้วทำให้ลูกจะทํำยังไงดีลูกกับเทวดาคํานึงดูรู้เหตุผลนั้นแล้วก็เลยคิดว่าพราหมณ์ปุโรหิตคนนี้ถ้าไม่ได้ลูกทําลายวิมานของเราพินาศ ช, ชิ้หายแน่งานนี้อันเราควรจะให้ลูกแก่พราหมณ์ปุโรหิตนี้ด้วยอุบายอย่างไรเนาะเอเราก็เสกลูกไม่ได้ก็ด้วยจะทํายังไงดีกันนี่เทวดาก็ทุกข์มกันนะ เทวดาที่มีบุญน้อยๆเนี่ยพอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็กลุ่มใจเหมือนกันนะมันก็เหมือนกับคนจะถูกไล่ที่อย่างนี้นะจะให้ค่าเช่าเขาไม่หมดอ่ะพรุ่งนี้มาเก็บใหม่นะถ้าพรุ่งนี้ให้ค่าเช่าบ้านไม่ได้เนี่ยย้ายเลยย้ายเลยแล้วถ้าเป็นคนอื่นนะเราก็ฟังเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเราเอ๊จะไปอยู่ที่ไหนต่อเทวดานี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันเอเราควรจะให้ลูกแก่เขาอย่างไงดีเนาะก็เลยไปยังสํานักของเท้าจ่าตุ้มไปหาลูกพี่ใหญ่เลยไปหากษระสับเลยภูมิมะเทวดานั้นน่ะ มีเทวดาชั้นจาตุ่มเป็นเทวดาประเภทชั้นจาตุ้มชั้นจาตุ่มนี่จะตุปแปลว่าสี่มีเทวดาเท้ามหาราชสี่พระ อ, องค์เป็นผู้รักษาพวกเท้าเวสว ร, ร์เท้าอะไรอกเท้าวีรูปักเท้ากูเวยเป็นต้นนะเทวดาเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลสวรรค์ชั้นจาตุ้มก็เลยเข้าไปหามหาราชทั้งสี่ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมด ท้ามหาราชทั้งสี่ก็บอกว่าเราไม่สามารถจะให้บุตรแก่ปุโรหิตนั้นได้รุกเทวดาก็เลยไปหายักษ์ดูจะมียักษ์ตัวไหนจะจุติไปเกิดเป็นมนุษย์มั่งยักษ์ทั้งยี่สิบแปดตนอีกก็โอ้ผมช่วยคุณไม่ได้หรอกเสียใจยด้วยเหมนว่นรุกเทวดาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงก็ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงกราบทูลให้พระอินทร์ทราบเล่าเรื่องให้พระอินทร์บอกพรุ่งนี้พระเจ้าค่ะวันจะนี้อีกน้อยเดียวเนี่ย วิมานข้าพระ อ, องค์หลุดแน่พระเจ้าค่ะช่วยหน่อยเถอะว่า ง, งั้นขอความช่วยเหลือไปตั้งหลายแห่งแล้วยังไม่ได้เลยพระ อ, อินทร์ก็เลยไข่ควรดูว่าพระราชาเนี่ยจะได้โอรสหรือไม่พระ อ, อินทร์ก็เลยพิจารณาดูเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวบนดึกเอามายอมถ้าเราเป็นเทวดานะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เอาป่ะ <c oughs> คิดดูให้ดีมันคล้ายๆกับอยู่ในเมืองอย่างนี้ใช่ไหมเออคุณไปอยู่ชนบทนะไงไปอยู่นู่นอำเภอที่ไหนที่ไมนุษยที่มัน อยู่ในดงอยู่ในป่าไปลิฟต์เนี่ยเป็นคนเมืองอะ่ะอยากไปไหมมีใครอยากไปบ้างโอยากนะมันจะให้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะมากันง่ายง่ายเลยเทวดาเขาก็ไม่อยากมาเท่าไหร่กันทีนี้ก็มองเห็นเทวดาเนี่ยสี่องค์เทวดาสี่องค์นี้เป็นคนมีบุญมากในชาติก่อนๆ น, นั้นเทวดาทั้งสี่คนนี้ก็เกิดเป็นช่างหุบอยู่ในเมืองพาราณสีเป็นช่างทอผ้านะเจ้าของโรงงานทอผ้า ในช่างหกสี่คนนี้ก็แบ่งทรัพย์ที่ได้จากการงานเป็นห้าส่วนพอทำมาหากินได้ก็หารห้าบริโภคเสียสี่ส่วนคือลงทุนในการค้าขายด้วยอะไรไปด้วยนะทำมาหากินไปสี่ส่วนเอาส่วนที่ห้าทำบุญให้ทานทีนี้ทั้งหกทั้งสี่คนเนี่ยตายจากอัตภาพนั้นใช้ชีวิตอยู่เป็นช่างหกตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อจากชั้นดาวดึง อยู่ชั้นดาววดึงเนี่ยหนึ่งพันปีทิพย์ตายจากสวรรค์ชั้นดาววดึงก็ไปเกิดในชั้นยามาอยู่ในสวรรค์ชั้นยามาจนสิ้นชีวิตตายจากยามาไปเกิดดุสิตโอ้เจวนะ๋วเนอะมีแต่สูงขึ้นเนี่ยตายจากดุสิตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานารดีตายจากนิมมานารดีไปเกิดชั้นปรินิมิตตวสสวัสดีโอ้เจ๋งขึ้นชั้นเรื่อยๆเรืย ๆ, ๆทีนี้พอไปถึงชั้นหกสุดแล้วใช่ไหมลงมาใหม่ชั้นปรินิมิตตะ ลงๆๆว่าจนเหลือสวรรค์ชั้นดาวดึงพอมาถึงวาระที่เทวบุตรจะเคลื่อนจากดาวดึงเนี่ยไปเกิดชั้นสูงต่อไปเขาเวียนอยู่แบบเนี้ยนะคนมีบุญเนี่ยเวียนได้สบายเลยท้าวสากะเทวราชก็เลยเสด็จไปยังสำนักของเทพบุตรเหล่านั้นเรียกมาแล้วก็มีเทวะบัญชาว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ทั้งหลายควรที่พวกท่านจะไปบังเกิดในมนุษย์โลกเออไปเกิดในมนุษย์บาย้างเถอะว่างั้น ส่วนพวกท่านจะใบบังเกิดในคันอัคราเหสีของพระเจ้าเอสุการีไปเกิดเป็นลูกพระราชาเอาไหมเทพบุตรเหล่านั้นได้ฟังท่า ด, ดํารัสแห่งเท้าสักตะเทวราชก็พากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระยาค่ะข้าพระองค์จักไปตามเทวะองค์การเออให้ไปก็ไปพระเจ้าค่ะแต่ว่าพวกข้าพระบาทไม่มีความต้องการราชตระกูลโอ้ไปเป็นลูกพระราชาไม่เอาจักไปเกิดในเรือนของปุโรหิต พระราชามีเพื่อนไหมจะไปเกิดกระลุเพื่อนของพระราชาเหมือนนแล้วจักละกามสมบัติออกบวชในเวลาเป็นหนุ่มอย่างเดียวตั้งใจวางแผนไว้ตั้งแต่อยูุ่สวันนะว่าอายุหนุ่มหน่อยออกบวชล้ท้าวส ก, กเทวราชก็เลยรับปฏิญญาเท พ, พบุตรเหล่านั้นว่าเอ้อดีเหมือนกันแล้วก็บอกเนื้อความนั้นแกรุกเทวราชทีนี้วันรุ่งขึ้นพระรามปุโรหิตนี้เอาจริงนะบัญชาหาบุรุษคนที่ล่าสันนะพวกไหนที่ตัดไม้เก่งๆเนี่ย กล้ามบึกบกหน่อยนะทิโค่นไม้โค่นป่ามาเยอะแล้วเรียสั่งให้มาเลยประชุมกันแล้วก็ให้ถือมีดถือขวานที่ต้นทรแล้วก็ตรงไปยังโค่นต้นทรจับกิ่งทรแล้วก็บอกว่าเทพพยาดาผู้เจริญว่างั้นเราเพียรขอลูกกับท่านมาครบเจ็ดวันทั้งวันนี้บัดนี้เป็นเวลาที่สำเร็จโทษแกท่านละท้งสุดท้ายมาถึงแล้วจะถอนรากถอนโคนเลย เทวดาก็ออกมาจากระหว่างต้นสาด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ก็เลยเชื้อเชิญปุโรหิตด้วยเสียงอันไพเราะกล่าวว่าดูกรพรามบุตรคนเดียวจะเป็นไรไปโอ้ยขอแค่คนเดียวเองอยงนั้นเราจะให้ลูกแก่ท่านสี่คนเลยคุยได้อีกนะให้สีเล ย, อยเอาไหมปุโรหิตก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการลูกลรบโปรดให้แกพระราชาของข้าพเจ้าเถอะเทวดาบอกว่าเราจะให้แกท่าน ปุโรหิตก็ขอร้องว่าเออถ้าอย่างนั้นให้ข้าพเจ้าสองนะให้พระราชาสองแบ่งเงินคนละสองลู ก, กเทวดาบอกไม่ได้เราไม่ให้พระราชาจะให้แต่ท่านผู้เดียวสี่คนเลยแต่ลูกสี่คนนี้ขอบอกขอเตือนไว้ก่อนนะเขาจะไม่อยู่ครองเรือนเขาโตเป็นหนุ่มเขาจะออกบวชกันหมดนะถึงเราให้ลูกแต่เขาเป็นหนุ่มแล้วเขาจะออกบวชพระราม์ปุโรหิตก็อ้อนวอนไปว่าโอ้ยให้ลูกแก่พระราชาทั้งหมดสี่คนเถอะ ส่วนเหตุที่จะไม่ให้บวชนะนะั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองขอให้ได้ลูกก่อนทถอะนะบวชไม่บวชเดี๋ยวค่อยคุยกันที่หลังแต่เดี๋ยววางแผนไว้ให้ยังไงก็ไม่ต้องบวชหรอกเขาก็ถือว่าเขามีไอคิวดีนะเขาเป็นปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาระดับแผ่นดินแล้วนะก็บอกโอ้เรื่องห้ามไม่ให้บวชจะไปยากอะไรใช่ไหมจับให้มีลูกมีเมียแล้วก็จบกันทีนี้รุกกะเทวดาก็เลยประทานบุตรผู้ประเสริฐแก่พราหมณ์ปุโรหิตนะั้นแล้วก็กลับไปยังวิมานของตน หลังจากนั้นมาลาบสการะก็เกิดแก่เทวดาอยู่เนืองๆเออบนบานศารกล่าวนี้สําเร็จขอลูกยังไล่ลูกเลยมหาชนก็เลยพากันแห่ไปบูชากันใหญ่เลยนะดีนะมาเกิดยุคนี้ขอหวยด้วยแต่ดีว่าไปเกิดในยุคนั้นก็ขอกันลูกกันทีนี้เทพบุตรผู้เป็นหัวหน้าเทพบุตรสี่คนที่เป็นหัวหน้าก็จุติมาเกิดในครันของนางพรามณีผู้เป็นภรรยาของพรามณปุโรหิตในวันที่เรียกชื่อ มารดาบิดาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหัตถิปาลกุมารหัตถิปาละหัตถินี่แปลว่าช้างปาละแปลว่ารักษากุมารแต่ว่าเด็กก็คือเป็นลูกคล้ายๆก็ลูกของคนเลีย้ยงช่างอ่ะคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วมอบให้นายควานช้างรับเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กุมา น, นั้นออกบวชเออเอ็งเอาไปเลี้ยงก่อนหัตถิปาลกุมาร น, นั้นก็เจริญเติบโตในสำนักของนายควานช้าง ก็เลยเรียกเชื่อว่าเด็กที่นายคนเลี้ยงช้างรักษาในการที่หัตถิปาลกุมารเดินได้เทพบุตรองค์ที่สองก็จุติจากสวรรค์มาบังเกิดในครันของนางพรามณีอีกการที่กุมารนั้นเกิดแล้วมารดาบิดาก็ขนานนามให้ว่าอัศปาลกุมารอัศแ ป, ปละวะา่าม้าอัศวินเนี่ยแปละวะา่าอะไรอัศวินแปลว่าม้านะอัศะแปลว่าม้ามันก็ให้คนเลี้ยงมารักษาอหั ส, สะปาลกุมารก็เจริญเติบโตในสำนักของคนเลี้ยมา้า ในเวลาที่ลูกคนที่สามก็เกิดขึ้นคนที่สามก็ให้ชื่อว่าโคปาลกุมารไปให้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงให้นายโคบาลเลี้ยงเอาไว้ในเวลาลูกที่สี่เกิดแล้วก็ให้ตั้งเชื่อว่าอาชาบานกุมารอาชาเนี่ยแปลว่าแพะก็ให้คนเลี้ยงแพะไปดูแลมอบให้นายอาชาบาลเลี้ยงไว้นายอาชาบาลกุมารเนี่ยจเจริญเติบโตกับอาชาบาล กุมารเหล่านั้นก็เจริญเติบโตมีรูปร่างงดงามเป็นชายหนุ่มที่งามทั้งสี่คนทีนี้ต่อมาบิดา ม, มารดาก็เชิญบรรดาชิตทั้งหลายออกไปจากพระราชอาณาเขตเพราะกลัวกุมารเหล่านั้นจะออกบท ว, วิธีวางแผนไม่ให้ลูกบวชทาไงรู้ไหมไล่ให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าสมณะชีพรามฤษีออกนอกแผ่นดินนี้ให้หมดเด็กๆมันจะได้ไม่เห็นนักบวชจะได้ไม่บวชไงนี่แผนของเขาแผนสูงไหม ทีนี้แคว้นกาสิกรัฐจะมีบรรพชิตนักบวชแม่แต่คนเดียวก็ไม่มีกุมาทั้งสี่คนนั้นก็ไม่มีสมณะพราหมณ์อะไรสั่งสอนซ่าคนก็หยาบช้ากล้าแข็งอย่างนะ น, นี่สายเลวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะไปสู่ทิศใดๆก็แย่งชิงเอาของที่คนเนี่ยใครถือของเนี่ยไปถึงแล้วแย่งชิงเอามาเลยอยากได้อะไรเอามาหมดอ่ะเพราะเขาถือว่าแทบจะเป็นลูกพระราชาใช่ไหมวางอํานาจบาดใหญ่โหแต่ละคนเนี่ยไปที่ไหนก็เบ้งเบงมีบริวารไปด้วย